ที่กายเราสงบเราวางมือขวาทับมือซ้ายเท้าขวาทับเท้าซ้ายหรือเรานั่งขาดสมาธิไม่ได้เราก็นั่งปรบเพียบนั่งปัะเพียบ ม, มันได้ร่างกายขามันตึงเราก็นั่งเต่าอี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 หายใจเข้าออโพธิ์หายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์ห า, ใาออยหาใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์ห า, ใาออยหาใจออกโทนี่เป็นอุบาย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 แต่เราต้องประคองจิตให้มีเครื่องโลขณะหายใจเข้าขณะหายใจออกเราต้องมีสติสมัชัญญะสติระลึกโลระลึกโลตัวสมัชัญญะก็เกิดความรู้สึกว่าจิตเราอยู่กับลม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 ตัวโปรงแต่งเขาเรียกว่าตัวธรรมอารมณ์อารมณ์ที่ไหลามากระทบใจและใจก็คิดเราสังเกตดูจิตตนเองพอเพะสติออกคิดออกไปไหลไปคิดไปนึกไปโคจร อ, อยู่อย่างนี้ วันหนึ่งคือหนึ่งก็คิดเรืองเนี่ยเนี่ยเมื่อเราพลาดจิตมาตั้งไว้ที่ลมเข้าพลาดจิตมาตั้งอยู่ที่ลมออกจิตเราไหลออกไปทางไหนก็โู้แล้วกันละให้จิตอยู่กับพุทธโธไว้เมื่อกระแสจิตเราฝึกหัดจนจิตเราเกิดปัญญา ทิจิตเกิดปัญญาเห็นว่าใจตนเองไม่ยอมหยุดไม่ยอมนิ่งไม่ยอมสงบเกิดจากอะไรเพราะเกิดจากอาตีตาอารมณ์อารมณ์เก่าๆอารมณ์ใหม่ๆอันนี้ ใ, นใจเราชอบไหลออกไปคิดไปนึกไป ในิจใจเราก็ไปอยู่กับความพงซ่านนิ้ ใ, ใจเราสังเกตดูใจเราคิดมากก็พงซ่านเมื่อคิดมากมากพงซ่านก็รบกวนใจหรือบางครั้งจิตเราอยู่ก็ลมเข้าอยู่ก็ลมออกหายใจเข้าโพธ หายใจออกโทหายใจเข้าออโพหายใจออกโทหายใจเข้าออโพหายใจออกโทเมื่อเราไม่เอาสติตามโลเนี่ย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 ทำให้ใจเราอยู่กับความเพลินความเืิมความง่วงอีกอ น, นี้ให้จิตเราโลภตัวสมัมพันธัญญะคือความรู้สึกกาแสสองอารมณ์เนี่ยเขกากั้นขวางไม่ให้ใจเราเป็นบุญถ้าใจเราอยู่กับหายใจเข้าพุทธหายใจออกทอ หายใจเข้าโพธหายใจออกทโทหายใจเข้าโพธหายใจออกทโทกระแสจิตอยู่กับพุทธโธก็โลเบาก็โลว่ า, วางก็โลนิ่งก็โลละเอียดก็โล กระแสจิตหายใจเข้าหายใจออกลึกๆกระโล<ม>เครื่องรู้ของจิตก็จะเกิดนี่กระแสอารมณ์บุญเริ่มเกิดขึ้นอนี้พอเราขาดสติทำให้อารมณ์นิวรธรรมกั้นขวางเราสังเกตดูใจเรา พอเริ่มสงบจิตก็เพลนง่วงพอเลิกจากง่วงจิตแล้วก็คิดมากปุ่งซ่านไปสองอารมณ์นี้เขาจะกวนใจตลอดแต่อุบายคำสอนพระเจ้าให้ตกอยู่ในท้ำกลางคือปัจจุบันให้จิตเราอยู่ปัจจุบันไว้อย่าคิดมากก็รู้แล้วกันล่ะ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 เราเพื่อจะหาอุบายให้ใจอยู่กับพุทธโธไว้ใจจะได้เป็นบุญเป็นกุศลขนาดหนึ่งขนาดหนึ่งนี่เราสอนใจตนเองหรือบางครั้งพอกระแสจิตพอตัวถินิมิทธะเข้าไหลเข้ามาสู่ใจเนี่ยใจตนเองมันหมดอะไรอววรไม่อยากได้ใหญ่ดี อยากอย่าหลับอยากย่านอนอยากอย่าพักผ่อนนี่กระแสตัวเทนิมิตะมันเป็นอารมณ์ที่ครองใจมนุษย์ในมนุษย์เราก็เป็นธาตุอยู่อย่างนี้เป็นธาตุนิวรเป็นธาตุของกระแสอนุสัย กิเลสที่มันนอนเนื่องในจิตใจเราก็ตามใจมาตลอดแต่อุบายคำสอนของพระเจ้าให้ทวนกระแสไว้ให้จิตเราทวนกระแสกระแสปุ่งร้านเกิดมากันละกระแสง่วงเหงาเฮาน อ, นอนเกิดขึ้นมากันละ ละแล้วก็ยกจิตไปอยู่กับพุทธโธหายใจเข้าออโพธ์หายใจออกโทหายใจเข้าออโพธ์าออหายใจออกโทหายใจเข้าออโพธ์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 ลมภายใจออกนีทถ้าจิตเราอยู่กับพุทธโธอารมณ์นิวรไม่ไหลเข้ามากระแสจิตก็เป็นเอขกกัตตาคือเป็นหนึ่งนี่สภาวะอารมณ์ที่ปรากฏจิตแล้วก็มีเครื่องโลกระแสลมนี่มันเบา หายใจเข้าเบาหายใจออกเบาหายใจเข้าหายใจออกกระแสจิตของตนเองมีความรู้สึกหายใจละเอียดลงหายใจลึกลงหายใจเบาขึ้น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 เบาแล้วก็ว่างแล้วก็เอาจิตตนเองตามเราเบาก็รู้ว่าเบาว่างก็รู้ว่าให้จิตเรามีเครื่องรู้ประคองเอาไว้ถ้าเราไม่ประคองจิตมีเครื่องรู้สกัดกั้นอารมณ์มเดี๋ยวก็แสนนิวร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 น, นี่กระแสจิตเนี่ยทางทางที่เราภาวนาอยแต่เวลาความปวดความปวดมันเกิดที่ขาอันนี้จิตเราก็อยู่กับปวดแล้วไม่อยู่กับพุโทโธแล้วปวดขาก็อยู่ที่ขาปวดหลังก็อยู่ที่หลัง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 กระแสจิตก็อยู่กับอารมณ์บุญก็จะละเวทนานี้ถ้ากระแสจิตยังไม่นิ่งมากเวลาความปวดเกิดจากสภาวะของกายส่วนใดส่วนหนึ่งนี่กระแสจิตก็ปรปเสวยทุกเวทนานี่พอจิตละบายอยู่ก็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 ทำให้สกัดกั้นตัวจิตอยู่กับพุโทโธอันนี้ถ้าใจละอยังไม่บั่นใจอย่างไม่สงบอส่วนเวทนามันแหรงเวทนาขันแมันแหรงความปวดมันแหรงทงั้งๆที่เราหายใจเข้าหายใจออกเวลาโปวดตรงไหนยึดตรงนั้นเป็นอารมณ์ นี่ถ้าเราดูความเป็นจริงแล้วเนี่ยความปวดนะั้นเกิดทางกายแต่ตัวจิตแค่รับรู้พอรับรู้จิตแล้วก็มายึดเลยความยึดนั่นแหละเป็นตัวอุปาทานทำให้เราเกิดปัญญา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 หายใจเข้าพ mm ุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทที่เราหาอุบายอย่างเงี้ยเพื่อให้จิตเราได้ มีสมาธิเพราะสมาธิแปลว่ารักษาใจมั่นนี้ใจเราไม่มั่นไม่ไม่มั่นและจิตเราเนี่ยไม่มีที่ตั้งอะไรเกิดกงไหนจิตก็ยึดกงนั้นเป็นอารมณ์นี้จิตเราก็ปร ะ, สะเสริฐข้างนอก รับโล่ข้างนอกปรุงแต่งข้างนอกท่องเที่ยวข้างนอกทนี้ที่เราหาอุบายให้ใจเรามัน่นมั่นขณะหนึ่งขณะหนึ่งกระแสจิตจะได้เป็นบุญเป็นกุศลเกิดเกิดงานที่เราหาอุบายพยายามดูใจใไว้ใจยังคิดมากอยู่ ใจยังถูกปรุงแต่งอยู่ใจยังโคจรรับรู้อารมณ์คิดนึกมากอยู่ก็โลไว้พรากใจมาตั้งไว้ที่ฐานลมเราต้องหาอุบายล่อใจตนเองฝึกให้เชื่องทำให้จิตเราจะได้คุ้นเคย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 นี้ก็เกาะในใจสเมื่อเกาะในใจแล้วเนี่ยทำให้ใจโขนมัวใจเศร้าหมองนี่เราเอาพุทธโทมาชำระเราสร้างพุทธโทมาชาระดวงจิตตนเองถ้าเรากำหนดพุทธโททุกขนะทุกขนะ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 กระแสอารมณ์อย่าลดลงกระแสอะไรกระแสตัวปฏิคะปวติคะคือความหงุดหงิดใจคนเรานี้หงุดหงิดง่ายฉุนเชียวง่ายโกรธง่ายนี่ก็เรียกว่าตัวปฏิฆะ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 เรื่องป้องกันคือภาวนาคือสกัดกัน้นฉะนั้นองค์บริกรรมเนี่ยเป็นตัวสกัดกัน้นกระแสจิตภาวนาอย่างหยาบภาวนาอย่างกลางภาวนาขั้นละเอียดภาวนาอย่างหยาบก็หมายความว่าที่ละประคองจิตหายใจเข้าโพธ หายใจออกโทหายใจเข้าโพหายใจออกโทหายใจเข้าโพหายใจออกโทพอจิตรวมตัวจิตกระระพุโทโธอันนี้จิตก็มีเครื่องโลแล้ว โลดอมเข้าโลดหอมออกโลดมเข้าโลดอมออกเบากระวมเบาว่างกระโลผวา่างหรือบางครั้งจิตเราเกิดความสว่างเกิดปฏิภาคในมิตเกิดโอภาษกระแสจิตมันสว่างหรือเกิดอาสุภสัญญา เกิดอัธิกรรมฐานอพอกระแสจิตรวมตัวเป็นเอกาตาแล้วเนี่ยสภาวธรรมของยาปลากฏเกิดขึ้นเองอ น, นี้สิ่งเหล่านั้นก็เป็นบา ท, ทรถอนของจิตทำให้จิตมีภาวนาข้าละเอียดขึ้นเป็นอุปจาระภาวนา กระแสจิตมีเครื่องโล้เป็นทิฏจางเอาสภาวะที่ปรากฏนั่นแหละเป็นฐานของจิตและจิตรู้รู้รู้เป็นอารมณ์ส่วนกายมีอะไรเกิดจิตก็รล้เท่าทันส่วนอารมณ์ทางใจมีอะไรเกิดจิตก็มีเครื่องโล้ นี่จิตเริ่มทันอารมณ์แล้วสติก็ดีขึ้นสมชัญญาก็ดีขึ้นสัมมาสติสัมมาสมาธิก็คล่องตัวถ้าเราหาอุบายปกขัดยจะเนี่ยทำให้จิตเราเท่าทันเท่าทันทางกาย เท่าทันทางกายคือหมายความมักกายเราขยับแ mm. ม่นแต่มือกระดุก ด, ดิกขากรดุกดิบหลับตาลืมตา mm. ความรู้สึกของกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยจิตเรามีเครื่องดู ถ้าจิตเรามีเครื่องโลอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยตัวสติเราดีขึ้นมาองมรดีขึ้นแต่มาสติระลึกโลระลึกโลส่วนกายก็ชัดเจนขึ้นมานี้ส่วนอารมณ์ก็ชัดเจนีนส่วนอารมณ์เป็นสภาวะนามธรรมเป็นตภาวะที่ละเอียดอ่อน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 ทำให้กระแสจิตเห็นอารมณ์ตนเองอืเห็นตนอารมณ์ตนเองหลายๆอารมณ์ที่ไหลเข้ามากระทบใจใจก็ไหลออกอใจก็ไหลออกใจเราก็ไหลออกทั้งวันทั้งคืนเป็นเดือนเป็นปีหลายสิบปี หลายหมื่นปีหลายแสนชาติปีจูดเจ ต, ตสิกตัวปรุงแต่งอย่างนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาอนนี้ถ้าจิตเห็นอารมณ์แล้วอนนี้จิตมันก็จะเกิดปัญญาแล้วเกิดปัญญาว่าสิ่งหล่านี้เป็นเครื่องเศร้าหมองใจ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 งั้นอุบายคำสอนของพุทธเจ้าสันเลขอวริยามพินาพร้อมทั้งความเพียรเพียร น, นี้เพื่อให้จิตเกิดปัญญาเห็นอารมณ์แล้วก็รู้อารมณ์อารมณ์มีแต่ตัวโลาไม่มีนั้นตัวรู้เนี่ยเป็นตัวพุทธะเป็นตัวปัญญาที่พพุทธเจ้าฝากเอาไว้ นี่เราไม่มีปัญญาก็ถูกไฟกิเลสเนี่ยคลองใจนี่เราสังเกต ด, ดูใจดิใจเราก็ถูกไฟเปลิงกิเลสเนี่ยครอบงำและเป็นตัวโมหะโมหะแปลว่าความมืดมืดในที่นี้คือใจมืด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 ทหายใจเข้าโพธหายใจออกทธหายใจเข้าโพธหายใจออกทธนี้จิตเราไปอยู่กับพุทธโธเนี่ยจิตเราไม่ไหลไปตามอารมณ์จิตก็จะมีเครื่องโลขึ้นมา นี่เขาเรียกว่าเครื่องโรยของจิตนี้ทำให้จิตตนเองมีภาวนาส ก, กัดกั้นนี้อารมณ์ก็จะน้อยลงไปนี่เป็นตัวผลแห่งการภาวนางั้นการภาวนาเนี่เป็นอุบายที่พระเจ้าสอนเอาไว้ว่า บุคคลใดมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสต่อคุณประธตนัดก็เอาดวงจิตูุกภพุทธโทธรรมโมสังโฆทำให้จิตเรามีหลักธรรมเป็นเครื่องยึดเนี่ยวนี่ถ้าจิตเราไม่มีพุทโทแล้วจิตลอยอยู่ที่ไหน <c oughs> จิตเราลอยไปตามโลก ตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามผโถะภาพวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยไปอยู่กับโลกปอยู่กับเสียงไปอยู่กับกลิ่นไปอยู่์กับรสปอยู่ ก, การสัมผัสประโยู่กับธรร ม, มาลม น, นี้จิตเราล่องลอยอันนี้ถ้าเรามาภาวนา น, นี้ จิตเราจะเกิดปัญญาแล้วจิตเราี่ร่องลอยไปตามอารมณ์ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยโถกระแสอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยเป็นเครื่องฉาบทานแล้วก็ปิดบังฉะนั้นใบธรรมสอนพุะเจ้าเนยจึงให้โอปัยิโกเอากายเป็นฐานของจิตเอาจิตมาตั้งไว้ และจิตเพ่งไปที่อายตนะภายในเอาจิตดูตาเอาจิตดโดหเอาจิตดูจมโกเอาจิตดูลิ้นเอาจิตดูกายและอาจิตดูใจเมื่อเราโอปัยญโกน้อมเข้ามาพอจิต เพ่งไปอยู่อายตนะภายในอันนี้จิตเราจะมีความโลดแล้วมีความรู้อย่างไรเพ่งไปดูตาเห็นตาเสื่อมไปแล้วเห็นตาเป็นโลกเห็นตาฝ้าฝางเห็นตาตนเองว่า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 ความไม่เที่ยงของโลกพอใช้มากขึ้นทำให้โลคาพระญาติกระลบกวนพอลบกวนเป็นอะไรตกอยู่ในทุกขังคือความทุกข์ น, น, นี้ความทุกข์ตัวนี้ทำให้จิตมัน ก, ก็ดิ้นหล่นเลยกลัวโลภอยู่ไม่ได้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 น, นี่เป็นอารมณ์ธรรมะแล้วหล่อเลี้ยงดวงจิตเรานี่ดวงจิตเราก็เป็นโอปาติกะอย่างเดียวโอปาติกะแปลว่ารอยเกิดถ้าเราหมดบุญแล้วเนี่ยหมดร่างกายจิตก็เป็นรอยเกิดอย่างในน้อยเทวโลกสมบัติพรหมโลกสมบัติ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 เมื่อดูใจตนเองว่าเราสงบใจวันนี้ใจเราเริ่มสงบขึ้นหรือใจไม่สงบใจยังคิดมากอยู่ใจยังง่วงอยู่ก็โลว์โลว่าอารมณ์ง่วงรบกวนโลว่าอารมณ์ปูงซ่ารบกวนก็ให้โลวเมื่อรู้แล้วทำความรู้สึก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 ที่เราสงบใจให้ใจเป็นบุญเกิดขึ้นอำนาจบุญกุศล น, น, นี้ขอให้เป็นบารมีธรรมขอให้เราได้ดวงตาเห็นธรรมคำสอนของพระเจา้าอำนาจบุญกุศลที่เราสงบกายสงบใจให้เป็นบุญแปไปให้บุพการีคคุณบิดาคุณบรรดาคุณโป ộ, คุณย่าคุณตาคุณยายที่เสียชีวิตไปแล้วก็ดีมีชีวิตอยู่ก็ดี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 ที่ไหนมีทุกข์กใขอใพ้นจากทุกข์ที่ไหนมีสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็ยกมือขึ้นแล้วก็ก้มศีรษะลงคลายออกจากสมาธิโพนา